ห่งทำเดีปฏิบัติตามธรรมถ้าเราปฏิบัติตามธรรมก็เห็นความเทศความจริงที่มันเกิดจากกายจากใจเราเลีกรรมวิธี สิงเวดลอ้อมเราก็พยายามที่จะทำตามพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาพระองค์ทำอย่างไรสอนอย่างไรเราก็ทำตามเข้าให้ถึงคำสอนแลาก็การกระทำให้เกิดขึ้นต่อกายต่อใจเราจริงๆ โยนโคนง่ยอยโน้นเลือดว่างเธอจงไปอยู่โคางง่ายนั่งลงตั้งกายให้ตรงมีสติเห็นกายสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายมีสติเห็นความคิดที่เกิดขึ้นจากเกิดมันจะตรงนี้แน่นอน แล้วก็พยายามสร้างชีวิตรม่มอยู่ในปิวิเวกพอสมควรก็จะได้เป็นชีวิตส่วนตัวแล้วก็ออกกายเป็นตำร า, าเอาใจเป็นตำร า, านี่แหละมีสติลงไปตามวิจากรรมาฐาน เ, นเยอะแยะ เจากกายเอามาใช้ให้มีความรู้จึกตัวเกิดจากใจที่มันคิดเอามาใช้ให้เกิดความรู้จึกตัวได้อย่าให้กายพ่าเป็นหลงอย่าให้จิตใจพ่ายหลงจึงที่เกิดภายนอกภายในก็จะทําให้หลงให้มีความรู้จึกตัวความรู้จึกตัวสามารถรู้สึกตัวได้ทุกโอกาสทุกเวลาทุกสถานการณ์ ได้ฝึกได้สัดได้เป็นคู่โกคกู้ซองสิ่งที่มันผิดสติเป็นที่ตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้เป็นเจ้าถิ่นเจ้าเรือนอะไรเกิดขึ้นมาก็ถือว่าได้ประสบการณ์ได้บทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นฝ่ายนอกภ่ายใน ภายในก็คือกายของเรานี่ใจของเรานี่ยภายนอกก็เกิดจากรูปรถกิ่นเสียงอารมณ์ต่างๆตาหูจมูกเลื่อนกายใจยที่มันคิดออกไปแล่ดหลงไปมีสิ่งทำให้เห็นมีสิ่งทำให้ได้ยินก็ อ, อย่าหลงกลับมาได้มารู้สึกตัวนี่เวลาเดที่มันหลงให้กลับมารู้สึกตัว ทุกครั้งทุกคราวทุกโอกาสไม่ใช่มารู้สึกตัวต่อเวลาที่อยู่ในกรรมฐานนอกกรรมฐานนกรูปแบบไม่มีความรู้สึกตัวจนความคิดนี่มันไม่มีอริบตทใดมันชิดได้ทุกโอกาสจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำไหวก็ ค, วคิดได้ อันลเราก็ต้องหัดไล่จากตัวซะจะให้อิสรมันมันจะใช่ความคิดมันจะใช่ความไม่จะใช่จิตคิดทุกเรื่องทุกเราก็อยาให้มันเป็นเช่นนั้นนักกรรมฐานต้องสอนมันเวลานี้อยู่เป็นที่เป็นทางอยู่ตรงนี้มีสติดูอยู่ พ่เรามีสติเป็นเจ้าเรือนเราหัดไปแล้วเราหัดไปแล้วเรามีแล้วถ้มีก็ได้ใช่แล้วมีสติเห็นกายอยู่เป็นประจำมีสติดูกายเมื่อมีสติดูกายเห็นความคิดที่เกิดจากกิจตรงนี้นะ ถ้าดูเรียบพลอดีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่ป้ายที่ลานทรงที่อาจารย์โกคชินทำไว้นะั้นมีสติดูกายเห็นความคิดนั่นเออเชื่อขาดตรงนี้เราเคยเคยรู้สึกอย่างนี้ มันหลอกทุกข้างทุกข้าวนิดหลยก็เป็นแต่ตามมันเมื่อถูกหลอกหลยข้างหลหยหนตัวรู้สักตัวนี่ถือว่าถูกหลอกที่ไม่ได้ตั้งใจเลยมันคิดกันมาเนี่ยได้ประกาศอิจรภาพขึ้นมาภายในหัวใจลึกๆในตรงนี้เหมือนกัน <c oughs> ต่อไปนี้อนความสุขความทุกข์ที่เกิดจากความคิดหยุดกันเฉยทีแล้วเหมือนฝ่ามือกับหลังมือแต่ก่อนฝ่ามือเป็นฝ่ามือจับอะไรก็ปล่กันเลยเป็นปแบบนี้หันหลังมือมันก็แยกคนละทางกรรมมันก็กรรมคนละทางแบบนี้ในขันธ์หน้าไปคนละทางเลยไม่ร่วมกัน ตางสิ่งต่างเข้าที่เข้าทางรูปว่าเข้าที่เป็นรูปสู่ธรรมชาติเวทนาสู่ธรรมชาติสัญญาสู่ธรรมชาติสังขารสู่ธรรมชาติวิญญาณเป็นธรรมชาติลว้ลวนๆไม่มีอุปทานเลยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะมาเห็นความคิดตัควคิดถูกโลก บอให้เกิดจิเล่าั้นฮะไปเกิดความโกรธความโลภความหลงความรักความจองดึงเราไปมาถูกหลอกว่ามากก็มีสติรูท้ทันมันจะเยกันไม่ใช่ว่ารู้อะไรนะไม่ใช่รูธ้ธรรมะไปรู้สีรู้แสงรู้เห็นอันนัน้นนนี่ไม่ใช่เลยเห็นความเท็จคมจริงที่เกิดจากกายจากใจเรานี่เป็นขันธ์หน้าที่มันเป็นรูปสัมบชูชัด เวท น, นาธรรมดานะขันลุ้นล้วนเป็นขันอาศัยไปที่ตั้งแห่งไที่ตั้งให้เกิดแห่งความรู้สึกตัวใช่ให้เกิดความรู้สึกตัวท่านั้นไมใ่ใช่ให้เกิดดันอื่นแล้วก็ใช่ได้มันมีให้เราใช่ จ, จริงๆขันหน้านี่มหาปุตต ร, รูปนี่เป็นรูปอาศัยให้ทำความดีให้เล่าความชั่ว แต่เราใช่อย่างไอ้ใช่รูกใช่นามเนเวทนาให้เป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์เหรลูกไม่เที่ยงเวทราไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วยังเอามาวเป็นทุกข์เป็นสุขพอมันเห็นความเท็จคมจริงลือ้อถอนแต่นี่นะปฏิบัติธรรมวัชเชนันเดื่นนาะทุกคนต้องมีอย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอน เห็นกวามคิดหลอกน้องโยนี่มาคิดไปไหนอวอาให้เบือบ่อไพ่ขยนันให้ความขยนันพาทาความเปลี่ยนไพ่ให้ความเกียดข้านพายุดตอนที่เกิดคำวันถันเก็บกเป๋ากับบ้านก็มีจับบาตกับวัด ก, ก็มี ได้แต่มาจะคิดอะไรให้ความคิดพาไปพาอยู่หลุดมาได้เห็นความคิดความจริงที่เกิดจากความคิดต่อมๆมันทั้งหมดทุกอย่างตายก็ตายตามความคิดเจ็บก็เจ็บตามความคิดสุขก็สุขตามความคิดทุกข์ก็ทุกข์ตามความคิดมันอร่อยกันชีวิตของเราเนี่ย น่าจะประกาศที่สลับภาพได้แล้วไม่สติดูมาไหนเออมรู้สักตัวมันทำไมยิ่งใหญ่นะเฮ้ยเปรียบเทียบเหมือนช้างเหมือนนุกินซีเี่เตอร์ทําก็เหมือนหมาตัวหนึง่งมันจะใหญ่อะไรช้างเหมือนตัวใหญ่กว่านั่นแงแล่ก็เหมือน มีประโยชน์เลนกไีต้องใหญ่กว่ามะเหลงืงถ้าเรามีสติโออุ่นใจนะไม่มีอะไรที่จะพ่ายแพ้ถ้ามีสติจริงจริงสติปัฏฐานจริงจสติปัฏฐานจะเป็นทวานของสติปัฏฐานอาอบในใจว่าสัแต่วาสัแต่วา สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็สักแต่ ว, ว่าน้อยย่างทุกเรื่องทุกอย่างต่างๆอะไรต่างๆแม้แต่าการเอิดเจ็บการอะไรต่างๆก็สักแต่ ว, ว่าเป็นทวานของสติเอิจากใจก็สักแต่ ว, ว่าเป็นทวานของสติซาตตธแต่ ว, ว่าเราก็เย่งเหยาะไม่มีค่า สุข ก, ก็ไม่มีค่าทุกข์ก็ไม่มีค่าความคิด ค, อคอกกาอะไรต่างๆไม่มีค่าสักแต่ว่าล้วก็วางปกแตกลงสุก็ปกแปกลงห ล, ล, งลนลงแล้วทุกก็ปกแปกลงหลนลงแล้วสักแต่ว่าเป็นถ้าจะเป็นอาวุธก็เป็นอาวุธที่กำลังพนที่ทำให้ค่าสึก พ่ายแย่แยบเยินเลยสักแต่ว่าเลยกิเลสพ่ายแพ้อกุิสุลธรรมพ่ายแพ้กุศลธรรมเกิดขึ้นศีลเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นสักแต่ว่าไมาใช่คําพูดนะมันเป็นคําปัญญานเป็นฌา น, น, านสักแต่ว่ามันเพ่งผุ้วยหายวอดไปเลย วิชติอย่างยิ่งเนี่ยคือชาญนอย่างยิ่งมันหมดไปอะไรเกิดขึ้นมาก็เหลือแต่ไม่มีซาก ห, หมดไปเลยไม่มีซากเป็นศพถ้ามาสักแ ต, ต, ต่ว่ามีซากศพเป็ตัวเปลี่ยนเน่าเหม็นเป็นพกเป็นชาติเจลาโมลานะโสกะระเทวาทุกตายเกิดดับเกิดดับ นี่พยายามดูดีๆอาจจะอาจจะเกิดการบรรลุธรรมบรรลุธรรมคือมันเปลี่ยนแปลงพ้นภาวะเก่าไม่ใช่นนหนีไปไหนพ้นจากสิ่ที่เกิดกิจสัปาจาใจนี่สิ่งที่ไม่ดีเกิดเจ็บ ก, กายพ้นจากกายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเกิดจากใจพ้นจากสิ่งไม่ดีที่เกิดจากจิตใจคือบรรลุธรรม ไม่ใช่วันรุ่นเราจะห่อเหินเดินไปไหนมีลทธิที่ปฏิหารฤทธิ์คือทําให้สําเร็จสิจ่งที่ไม่ดีทําให้สําเร็จให้เป็นความดีไปแทนที่นี่คือเรื่องของกายของใจเราเราเกิดมาเพการนี่โดยตรงวิธีที่ทําให้รู้เหล่านี้ก็กรรมาฐานตามๆพระเจ้าโซน ผู้เจ้าสองคนเนี่ยพากันทําอยู่นี่อยู่ด้วยกันอยู่นี่อยู่คนบ้ายกลางต้นอยู่กติก็หวือนก็อยู่คนใหม่อยู่ไหนก็มีคนใหม่เรามาอยู่กับควมรู้สึกตัวไม่มีอะไรปูงแตงไม่ได้ติดกตดิไม่ได้ติดอะไรที่สะดวกสวา่างเพื่อใช้ บำเพ็ญภาวนาใช้สติเพื่อภาวนาเพื่อเจริญสติใช้ผ้าชีวานเพื่อภาวนาใช้ชีวิตกินข้าวยินน้ำเพื่อภาวนาให้หยดขยะรักษาโรคภัยกระเพื่อที่จะภาวนาเพื่อทำความดีก็เรียกว่าสิ่งทดลองสร้างสิ่งทดลองกับชีวิตของเราเอง ถ้าจริงวัลล้อมดีก็งอกงามนะสตินะถ้าจริงวัลล้มมาดีก็ไม่โอกงามหลุดไปเรื่อยถอนไปเรื่อยเหมืนต้นกล้าที่ปลูกลงในดินนะียถอนขึ้นเรื่อยลอยน้ําน้ําดูดขึ้นมาเลยลมพัดล่มไปถูกเลยทับผมไม่งอกไม่งาม หวานก็ไปตัดกิ่งว่ามันหักโค่นลงมาทับต้นไม้ไม่ได้เดินไปทางนั้นไม่ได้ไปทางนั้นก็มีรถกอบไปทั่วเลยทั่วไงเห็นอะไรที่ม่ดีได้ช่วยได้ช่วยต้นไม้ที่มันถูกล้มทับจนมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่มันอยู่ไหมันจะเด้งไปล้มไว้นั่นไม่ได้มันต้องรัดกิ่งขึ้นมาตรงๆสดแทรกัไปแต่ไปช่วยต้นไม้ รามีความสุขชีวิของเราเนะีอะไรมันทับความเท็ดความจริงอะ่ะความจริงอะไรมันทับถผงบายทาไมช่วยตัวเองไปช่วยใครที่ไหนทำบุญทำแบบไหนคนดีจัดสนาเจริญเจริญที่ตรงไหนถ้าคนไปช่วยตัวเอง ถ้ามัหลงก็ช่วยใหรู้ถ้ามทุกก็ช่วยให้รู้สักแต่ว่าเนี่ยสตรีนี่สักแต่ว่าน่ยคือช่วยชีวิตให้มีชีวิตโกเกิดขึ้นมาสักแต่ว่าได้ชีวิตขึ้นมาชีวิตที่ไม่แก่ไม่เจ็บไ ม, ไมตายเกิดสักแต่ว่านะไปดูพระตไตรปดกอยู่นั่นใหญ่ที่สุดในโลกแม่บัวพระกลม <laughs> ตั้งอยู่นั่นพระใจไปโดกตั้งอยู่นั่นมีต่ักธรรว่าท่า น, นั้นนะชีวิตก็ได้จากตรงนี้ชีวิตที่ไม่เกอไม่เ ก, ไ ม, กไม่ตายเกิดสักแต่ว่าที่หมายคำมีสติเห็นทวานของสติ สิ่งที่เกี่ยวกับกายกับใจคําตอบเป็นคําตอบศักดิ์สิทธิ์คือศักดิตบวาไม่ใช่โตใช่ตนอันนี้บางทีเห็นกลียยากก็เป็นตัวเป็นตนต้องไม่ได้จะทําได้กับเป็นตัวเป็นตนเออดีทําได้ตัวตนเต็มไปหมดเลยมันก็ไม่มีศักดิ์บวาก็ต้องแก่ต้องแก่ต้องตาย อะไรเพจก็เออเพจไม่ชอบตัวตนถ้ามาทุกข์ก็เออชอบเป็นตัวตนถ้ามาโศกก็เออดีตัวตนถ้ามาทุกข์ก็เออไม่ดีตัวตนตัวตนเกิดแบบนี้ดับตัวตนคืจักตธ ว, ว่าสัจธรรมคือดับตัวตนมันมีพพมีชาติจะกล้าดับไหมหรือว่ามันไม่ รสชาติโลกมันมีรสชาติดับยากนะเกิดจากกาสจากใจีิเดตัณหาก็ดับยากถ้าไปอดไปทนดับไม่ได้รทนเอาอดเอาไม่ได้อดได้ทนนะต้องมีสติเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ่าสักต ว, วาเพราะเรามันมีสติใจได้เตรียมตัวไว้แล้ว รูเขีนเข้าเหยื่อเขนออกรูสักตัวไปแล้วมันเกิดขึ้นมาจากตั ว, วมันเบาบ่งงา่ายๆถ้าคนไปอดทนเลยแมงปีที่ตั้งไม่มีกำาังฐานไม่มีช่ไม่มีจมงหรือภูมิที่เป็นภูมิที่ดีมันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนคนจะตัดต้นไม้ต้าไม่มีที่ยืนมันตัดไม่ขาด ตัไม่ขาดแม่ขวนจะคมมีดจะคมก็ตัดไม่ขาดถ้าไม่มีที่ยืนยืนไม่มั้งแรงก็ไม่มีถ้ามีที่ยืนดีๆนะมีดก็คมขวนก็คมยืนดีมันแรงมากเแรงมากก็ขาดได้ยิสติ้งสิน เห็นเห็นสินไม่เป็นเป็นสมาธิหลุดจากภาวะที่เป็นเป็นปัญญามันคมมันมีที่ยืนเห็นนี่มันมีที่ยืนนะแต่เป็นไม่มีที่ยืนนะรุนุไม่มีที่ยืนนะ ต, นนตัดไม่ขาเกิดจิเดตัณหาเป็นผู้เป็นผู้มีตัณหา มีราข้าตัวสัเป็นผู้มีกิเลสตลวราคาตัตว์ไม่มีที่ยืนตัดไม่ได้ถ้ามีที่ยืนแล้วก็เห็ น, เ ห, นเห็นกาเคลื่อนหวดูกาเคลื่อนหวเห็นใจคิดนึกเนี่ยมันไปแบบนี้นดูก็เห็นก็ไม่ดกูก็ไม่เห็นเป็นไปเลยดูกายเคลื่อนไหว เมื่อดูก็ต้องเห็นใจมันคิดเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเห็นเลยก็เอาไปสักแต่ ว, ว่าก็ายิ่งตะลุตะลวง <c oughs> เอาไปทำด้วยนะ้ถ้ะลุทะลวงขาดกระจุยไปเลยนะการที่ต้องเอามาให้มาสมน้ำหน้ามันเลยเอาอีกไหมละ่ะ ต่อร้องอีกไหมเอาอีกสิมาสิมันน่าดีมันยังนั้นน่ะนี่เดี๋ยวเด้ยเหมือนเลยเหมือนแมวที่จับหนูได้มันกัดถัวมันหนูเฉล้วมันข้าบมาให้ลูกมันมันยังไม่ตามยังวิ่งไปวิ่งไปแบบไม่มีไม่มีวิธีอะไรวิ่งบนหน้าบนหลังลูกแมวมันเห็นกระตะคุปกะ ตัวคุบเล่นแต่ไม่รู้จะทำให้ตายได้แม่ก็ต้องมาช่วยคาบหนูหมาจะไม่ตายสนิดมาให้ลูกมันหัดเลาะเย้ยมันโดยทีแต่ก่อนยังไม่ถูกทาลายมันก็ยังไวเอามาให้ลูกเดินมาไดาวันกัดจับหนูก็กัดหัวมันให้มันวนันเสียหลักสะก่อนเรามาให้ลูกวัน เคยเคยอยู่กับแม่สมัยก่อนเวลาแม่แม่เลี้ยงม่อนตัวหม่แล้วก็กลางคืนแม่เห็นแมวจับหนูมามาให้ลูกกันก็เลยดูชิเลตบางอย่างก็จับม า, มาเล่นๆนะเหมือนแมวฆ่าหนูแล้วแต่ไม่ตาย ใ ห, ให้มันคิดดูสิมันสุกคําทุ่มันทุกข์กี่ดีทุกข์หรือไให้มันทุกข์ดูสิมันไม่ไปให้มันสุกดูจีมันก็ไม่เอามันมีศักตรว่ายิ่งใหญ่มันชํานาญทางนั้นเห <c oughs> <c oughs> ็นกายศักตรว่ากายอวทนาศัพทว่าเวทนา ความคิดก็สักว่าความคิดทำก็จักว่าทำความเสื่อมความเพรินอะไรที่มาเกิดขึ้นมาสัากแต่ว่าหมดหมดตัวเลยตัวตนหมดไปเลยพวกชาต์เมื่อไม่มีตัวตนพบชาติของหมดไปเลยได้ชีวิตที่ว่าขึ้นมาชีวิตนี่คือไม่เป็นอะไร อาศัยลูกอาศัยนามเป็นที่ตั้งความผู้ศักตัวเมื่อมีศักแต่ว่าอะไรบางเกิดขึ้นไม่มีแล้วจิตตัญหาลาคะไม่มีที่เกิดแล้วเกิดขึ้นแลก็ไม่เป็นละลายกับสิ่งเดียวนั้นนี่เรามีกรรมฐานแท้ๆไปกลัวอะไรมันเข้มแข็งทุกโอกาสอะไรเกิดขึ้นมาก็เข้มแข็ง ได้บทเรียนได้ประสบการณ์ได้ฝึกตนสอนตนได้เตือนตนได้แก้ไขตัวเองได้มีสติชักแต่ว่าเกี้ยงเกาไปเลยวันคืนวันคืนจะเลื่อนงอกงามขึ้นมาเชื่อมแข็งขึ้นมาโะวันโตขึ้นขึ้นมาใกล้ความเท็ความจริงขึ้นมาเห็นความเท็เห็นความจริงขึ้นมากับชีวิตจริงๆจริงใดที่มันเกิดขึ้นกับก้อยลู่หมด สิ่งไหนที่มเกิดกับใจรู้หมดต้นดอมอยู่ที่นี่มีสติก็ต้องเห็นทุกอย่างตรงกับความหลงความรู้ก็ตรงกับความหลงเมื่อมีความรู้ตรงกับความหลงออก็ไปได้เลยวันนี้ของโลกโวดหลงง่ายอารมณ์ตก็ ง, ง่ายถ้ามีความรู้อะไรก็รู้เห็นทุกเห็นได้พบ ไม่ใช่แบบคิดเห็นถ้ามันมีกรรมฐานในแบบคิดเห็นตอบได้แต่ความคิดแต่ไม่ลงตัวน่าเกียดไหมอาจารย์วะเทพนี่เอาออกนะท่านทานได้นะเวลามราอยู่ในเทพเอาเสีาายงไอนี่ออกไป อเอาออกได้ไหมส <laughs> นุกนะปฏิบัฏธรรมะแต่ตกหนะลังความสนุกเยิ้มๆนะหัวโะตัวเองเนี่ยมันมีรสชาตินะหัวโล่ความสุกหัวโล่ความทุก ข, ข์ก็เราหัวโละแต่ความสุขดีใจหัวโละไม่ใช่ใจดีใจดีแต่หัวโละไม่เป็นหรอก ยิ้มๆหน่อยๆถ้าดีใจหัวโล้อปาลืมตัวไปเลยไม่รับถ้าใจดีไม่ใช่ดีใจดีใจนี่ดีใจเพราะทำชั่วก็มีดา่าเขาก็ดีใจเลยข่าเขาก็ดีใจแต่ใจดีเนี่ยมันไม่ไม่ปล่อยตัวมันยิ้มยิ้มในหัวใจเลื่ๆหัวโล้อความทุกข์ได้ ถ้าใจดีถ้าดีใจหัวรลาความทุกข์ไปได้เป็นแต่ล้องให้ถ้าใจดีถึงหัวเลาะได้นะหัวโลาตัวเ น, น้มันสดชื่นแต่หัวเลขะความชั่วหัวโลาขอวามทุกข์นะหัวโลาะมาใช้เศร้าโศกเมื่อกับคนไม่มีสุติ ว่าเราก็ยิ่ยงแยะๆไม่ใช่รีบแบบสดชืน่นมีรสชาติไม่มีรสชาติเห็นทุกข์ถึงมีรสชาติที่สุดไม่ใช่เห็นสุขนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นความทุกข์ในปัจจุบันที่จุดเลย <c oughs> ที่เกิดจากกายจักใจเราเนี่ยพระเจา้าจึงว่าเห็น สิ่งที่ประเสริฐคือเห็นทุกข์ทำไมจึงเห็นสี่งประเสริฐมันได้หลุดพน้นมันเห็นสิ่งนี้จึงมีการหลุดพน้นสำเร็จได้มีตาได้ใช้ให้หลุดพน้นเมื่อเรามีตาเนื้อเห็นงูําให้หลุดพ้นจากงูใช้ตาสำเร็จได้มีประโยชน์ ใช่ๆต่อให้พอใจไม่พอใจใช่ไม่ผิดใผิดไปแล้วต่อไนเห็นทุกข์มันหลุดพ้นมันจึงประเสริฐที่สุดให้มันมาอันทุกข์ที่เกิดจากกาจักใจนี่เอามาเป็นเรื่องหลุดพ้นทั้งหมดไม่ใช่เป็นโล่งให้เฉืย่ยใจถึงอะไรที่มันเกิดขึ้นมา พัดภาคจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ได้ไหมันเห็นแล้วมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวต้นก็ไม่สบายกายความไม่สบายใจความครับแค่นใจเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้ก็ไม่สบายกายามไม่ออให้าใ ก, ก, ก, ามมากายไม่ไปทำประชาติมันจะก็สักแต่ว่าในชนะกสักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่า ไม่ามาเป็นตัวเป็นตนที่เป็นสุขผลทุกโภเวทนาคัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นทุกปัตตนาชินใดไม่ได้ชึงนนั่นก็เป็นทุกข์เต็มไปหมดถูกความทุกข์ยางเอาคนไม่มีสตินะ่ะเป็นธาตุของความทุกข์เป็นธาตุความปวดความโลภความหลงทั้งๆที่มันไม่ดี ยังฟากันทุกกันโกรกกันโลกคนหลงอยู่หลงเรื่องเก่าหลงแล้วหลงอีกทุกเรื่องเก่าทุกแล้วทุกอีกสุขเรื่องเก่าสุขแล้วทุขอีกสุขจริงๆมันสุขแบบไม่มีอะไรที่ที่จะให้เป็นสุขสุขจริงๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ให้เป็นสุขไม่มีอะไรที่เป็นทุกเนื้อคือ จุดหมายปลายทางมันไม่มีอะไรมันจึงไม่เป็นสุขมันไม่มีอะไรมันจึงไม่เป็นทุกข์ทุกข์กับสุขจะมาตั้งอยู่ที่ไหนไม่มีที่ตั้งหาที่ไหนเจอที่ไหนนี่ยห็นอยู่เนี่ยก็สัจธรรมหมดแล้วในฐานะสัจธร่าสัญญาสัจธร่าสองขานิยต่ว่าปัญญาสัจธร่า มีอะไรที่พลาเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็แล้วก็จืดไปทีแล้วไม่มีค่าไปทีแล้วชีวิตไม่มีค่าเป็นสุขเป็นทุกข์นะชีวิตจริงจนะริงจะลูบนามเนีนะ่ยมีค่าทําให้เป็นสุขเป็นทุกขนะ์เลยโจนลูบมีดอมนยะถ้าไม่มีสติเห็นนะมีการวิจารณ์จน ถ้ามีเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่จนเนาะันเป็นธรรมชาติเป็นกาลเราเห็นเนาะรูปเห็นนามล้วไม่ค่อยจนแตกฉานได้ถ้ามีเต็บกายใจจนง่ายอะไรก็เป็นตัวเป็นตนร่อนคือ กูร้นเนืน้อคือกูเนา้เจ็บคือกูเจ็บโกรธก็คือโกรธกูโกรธกูกพอใจกูไม่พอใจอ น, น่าเป็นกลายเป็นใจถ้ามาศึกษาดูแล้วเห็นรูปเห็นนามตามก็เป็นจริงอันสุขอันทุกที่เกิดขึ้นไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอาการที่เกิดกับรูปกับนามตามธรรมชาติ เป็นขันรุ่นลุวนเวทนาลุ่นลุวนไม่ใช่ตัวใช่ต้นมันเป็นสัญญาณภัยของมันถ้ามันมีสัญญาณภัยมันก็อยู่ไม่ลงมันหิวไม่เป็นมันโล้นไม่เป็นบันหนาวไม่เป็นมันเจ็บป่วยไม่เป็นมันเหนื่อยล้าไม่เป็นมันก็อยู่ไม่ได้แม้แต่รถเรือเนี่ยเทามันโล่นมันก็ต้องดับแต่รถเนี่ยโล่นที่จุดก็ดับ มันไม่สองอาจจะไปได้วันทีก็ไม่ไปเลยนะเรียกว่าคืนช่ายไปก็มาได้อันนั่นเลยว่าเครื่องโยนต์คนกลยชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อยล้าก็ต้องหยุดมีพักผ่อนหลับนอนมีการกินการนอนการพักผ่อน้จักโลกภยัย นี่ใบเป็นีนธรรมชาติแล้เราจึงเห็นธรรมชาติสู่ธรรมชาติเห็นรูปเห็น น, น้ำเนี่ไม่ค่อยจนนะถ้าเห็นกายเห็นใจเนี่ยังจนให้เห็นรูปเห็นน้ำแต่ฉานไปรูปมันบอกน้ำ ม, มันบอกคอมเทสความจริงมันคืออะไร เราก็ได้หลักตั้งแต่นี้ตั้งแต่เห็นกายเสว่ากายเห็นเวทนาเสวะเวทนาอันกายนี่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นนามธรรมมันมีตัวไม่ตนแต่ไม่มีพไม่ชาติเจ็บได้ทุกข์ได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นรูปมันไปขันห้ารูปมหาพุทธลูป นอน ม, มันก็มีชีวิตที่ไม่ตายตามรูปดาวมันแยกกันแล้วมก็เน่ไปแล้วนี่มันมีรูปมีนม้นทำดีได้ทำชั่วได้อ้สนุกดีศึกษาเรื่องควิตของเราเนี่ยจะได้เขียนออกมาเป็นพระตไตรปิฎกปดุมื่น0ีพันอย่าง มีธรรมชาติมีพระสูตรเป็นสูตรมีพระวินยัยก็ปฏิบัติต่อรูปต่อนา ม, มนวิในคมหลงไม่ใช่วิไในความไม่หลงเป็นวินในรวมหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมปฏิบัติตามธรรมวิในใช่ธรรมวิในต่อมันรูปนามเนี่ยจบง่าย คืนเดียวจะจบเนาะถ้าดูดีๆนะเนิ่นช้าถ้าหลงเป็นหลงเนิ่นช้าสุขเป็นสุขเนิ่นช้าผิดเป็นผิดเนิ่นช้าถ้าเห็นมันผิดผิดก็เห็นมันถูกก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นมันสุขก็เห็นมันสงบก็เห็นมันวุ่นวายก็เห็นมันอย่างนี้จบหน่อยแบบลัดๆแบบวิปัชนีล้วน สุขาวิปัสสโกผู้เจริญนิปปัจจาร่วนถ้าไปสงกอยู่นิ่งไปเห็นเล่นจีเล่นเสียง เ, เล่นแสงมีปัญญาตเตะอะไรต่างๆอะไรต่างๆที่รูปไปนอนไปนี่นินชาวังที่ก็เสื่อมได้ตายอยู่ในชาตินั่งอยู่ได้ าจริไม่ได้เสื่อมไปแล้วก็ฌานส ม, มบัติไม่ใช่อย่งางเพือุตส่าดาบดัดาวดบทนี่มีเป็นทรูคนแรกของพระพุทธเจ้านะครคนที่หนึ่งได้ส ม, มบัติเจ็ดอุตสกาดาบทครนที่สงก็ดา ร, ารดาบทได้ส ม, มบัติแปดยว่าเจียงในชาน ประศีทษะไม่พอใจกับเกอนมาฝึกด้วยตนเองเนี่ยมามีสติทุกู้แขนเข้าเหยียดฉขนอกมันต้องอยู่นี่แน่โดนที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่มีสติเห็นเนี่ยเห็นไม่เป็นเนี่ยเป็นชาญอย่างยิ่งเครื่องเผาเฉล ถ้เป็นแล้ว น, นั่นลดๆให้ไบใมันชุกเห็นมันฉุกไม่ใช่เป็นผู้ชุกพ้นจากความฉุกกเ็เปิดเปเป็นสินเป็นสมาธิเป็นปัญญาศินกับจัจจิเลสสมาธิกับจัจจิเลสปัญญากับจัจจิเลสเห็นนี่ยังไม่ละเอียดเรีวยกว่าศินศินกับจัจจิเลสอย่างยาวเห็นทุกนี่ศินเลย ยังไม่ได้กําจัดนะเห็นเลยไม่เป็นผู้ทุกข์สติเข้ามาช่วยกวามเจตจิตเดียงกลานพ้นจากความทุกข์เป็นปัญญามาช่วยพวกความเจตจิตอย่างละเอียดหลุดพ้นต้องศีลทั้งสมาธิั้งปัญญาเป็นเครื่องต้องให้เกิดการหลุดพ้นช่วยกันนะักสอนอ่างในข่าวเดียวกันในข่าวเดียวกัน ว่าสติเป็นพลังให้เกิดศีลเกิดสมาธิปัญญาแบบนี้เห็นไม่เป็นสัจธว่าภาษาพระเจ้าโฉสาพระชิตตะะใหม่ๆหม่สัจธรรมใช่ได้ตลอดโลอดฝังกงเส้นกงวาไปถอยตะพือไปเลยสัจธรรมไปตะเพื่อตะเพื่อบุกไปตะพื่อตะพื่อชนะไปตะพื่อตะพือ ดีไม่ทำแต่พืทภเพื่ชั่วเออชั่วไม่ทำดีทำไปแต่พืทอเพื่ไปใจไม่ติดไปยึดแต่พืทอเพื่อไปสักแต่ว่าไปได้ดีไปได้สวยดีนี่ก็เราก็อยู่ในภาวะกรรมฐานตามสมมุติบัญญัติที่เรากำหนดขึ้นมาก็ให้ช่วยกัน หลวงพอ่อกลมอาจารย์ตงศินอาจารย์สนุนทรอาจารย์พชัชยอาจารย์ตุ้งอาจารย์โนดเนพียงขออาจารย์อยู่ที่นี่สามอาทิบอกผิดบอกถูกแต่ผู้ปฏิบัติได้ญาติโยมก็มีพอเที่บอกผิดบอกถูกได้ประสบการณ์หมอชนทลีนี่ก็ เพื่อ ไ, ได้ยินกับพูดเรื่องอาการต่างๆกักบการจะไกลไม่ได้บทเรียนบางพอสมควรช่วยกันอย่ารอให้หลวงตาหลวงพ่อเพียงแต่เป็นผู้เดียวมันไม่มันไม่สะดวกทุนเวลาไปถามนักปฏิบตัติเวลาคนักปฏิบัติเขาพูดเาไม่ค่อยได้ยิน คนเขาปฏิบัติเขาไม่อยากไปพูดแรงเขาอยากพูดเบาๆไปพูดคนหูหลอกโวยโวยไปๆมันก็ไม่ค่อยดีเลยไม่อยากไปโทษช่วยช่วยกันพวกเราเพื่อคนอื่นว่างมีอะไรก็แบ่งกันกันบ้างเอาไปแบ่งแบ่งกันเล็กแๆน้อยๆของฝากเล็กน้อย ทำอะไรเอาตัวเองไปเจนที่วัตรเขาพูดอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องของเราทั้งหมดถ้านักกรรมฐานนะไม่ใช่นอกตัวเราหมดแล้วเราเห็นแล้วก็ได้คําตอบหมดถ้านักกรรมฐานเขาพูดที่เกิดจากการจากใจเขานั้นเราก็เห็นการเกิดที่กาาจากใจเรานี่มามากสามารถบอกผิดออกถูกได้ ความสงบความผ้านวินงงนน ต, ตินิมิตอะมาจริงจะไปหลงมันนีสติสติั้องไปอาไปก่อนอะไรอะไรกลับมารู้สึกตัวถ้าไม่มีคําพูดก็บอกว่าแต่เขาพูดเรื่องเขาลู่แล้วเ า, น, น, า น, นี่ยเขาบอกว่ากลับมารู้สึกตัวเท่านี้ก็พอแล้วอย่าหลงไปมันลู่อะไรลู่อะไรให้กลับมารู้สึกตัวมันทุกข์ตรงไหนกลับมารู้สึกตัวมันมีอะไรเกิดขึ้น เป็นดิวิทอะไรกิดขึกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวให้เขากลับมารู้สึกตัวให้เขากลับมารู้สึกตัวเลยเพื่อจะเป็นวิสุขวิปัสสโกผู้เจริญวิปัสสนาโดนล้วนไป ม, มีสมาถธา ม, มีอะไรมาข้องแวะขวงกันเสียเวลาแ้่เขานั่งหลับหัวหลับตาดังนั้นนก็กลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัว้ป เราอยู่นิ่งเหมือนกับเป็นก้อนหินน่ยกับมารู้สึกตัวเนี่ยจึงจะเป็นกรรมาฐานบอกกันเดินจังกรมส่างจังบกักเคลื่อนไหวหนอกรูปแบบในรูปแบบได้ทุกโอกาสอ๋อสมควรเจริญลาวันนี้ยกับพร้อมกัน